การเจริญสติแบบนี้มาอยากจะให้ครบวงจรว่าเมื่อเรามีกายกับใจรูปกับนามแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้กายกับใจรูปกับนามนมีความสมดุลกันนะมีพลังทั้งสองส่วนเอาใจใส่ให้ถูกต้องทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเหมือนกับเราเอาใจใส่ต่อไฟฟ้าเอาใจใส่ทั้งควบบวกควลบสิ่งที่เราได้ก็คือพลังงานทั้งแสงสว่าง จากไฟฟ้าข้อบวกข้อลบไม่สมดุลกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ด้ยกำลังงานแสงสว่างจากไฟฟ้าได้มันก็คอนเซปต์เดียวกับกับชีวิตนะข้อบวกข้อลบคือกายกับใจรูปกับนาซึ่งพยายามตอกย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ยมให้นักปฏิบัติได้ได้จำคอนเซปต์หลักเอาไว้ เวลาอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่แปลกใจว่ามันมาจากอะไรเราจะไม่สงสัยเพราะมาจากอันนี้นี้ปั๊บมันก็จบไวถ้าเราไม่รู้เหตุผลต้นปลายที่ไปที่มาเนี่ยเราก็หมดไปคิดสงสัยทำไมทำไมทำไมทำไมโคชเนมากเต็มหัวไปหมดมันก็ทําให้เราเกรงเครียดกับปัญหาต่างๆแต่พอเรามารู้ต้นตอปัญหาออกก็เรื่องกายก็เรื่องใจท่านเองเรื่องกายควรจะแก้อย่างไรเรื่องใจควรจะแก้อย่างไร เราก็รู้วิธีแก้มก็จบนะแต่ถ้าเราไม่ชนานาญร่างกายและใจเราก็จะสงสัยนะเอ๊ะทำไมฉันจึงป่วยทําไมฉันจึงไปโลกอันนี้เราก็ช่วยสืบไปว่าเราป่วยเพราะอะไรเราก็ไปตัดที่ต้นเหตุของมันตรงนั้นเราก็ระวังต้นเหตุของมันเราก็ไม่ต้องมาสงสัยตัวเองว่าทําไมทําไมเขาจึงรักทําไมคือช่างเราเมื่อก่อนรักเราเมื่อก่อนดูแลเราเดื๋ยวนี้ทําไมเขาเมือนเฉยต่อเรามันก็จะไม่มีคําว่าทําไมนะ มันจะต้องมีเหตุเราก็รู้เหตุอ๋อเพราะอันนี้อันนี้เราก็จะปรับตัวของเราได้ทันทุกมันก็จะน้อยลงแต่สิ่งหนึ่งสําหรับการฝึกฝนก็คือที่เราจะต้องที่คาสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าหลักการสวิธีการหลักการสามมีอะไรบ้างทุกชาวพุทธทุกคนต้องจําได้ใช่ไหมหลักการพุทธศาสนา ม, มีสาประการอะไรพอจะทราบสับพพปาปัสสะการนัง่งทุกปีวันมาฆบูชาเราก็มาประกาศเยอะนั้นนหละใช่ไหม การไม่ทําบาปทั้งปวงอุศลสูประสบธรทาการทําดีการทําทดีไม่มีปัญญาก็เยอะใช่ไหมไม่ใช่กุศลไม่ได้ไปแปลว่าความดีนะการทําดีถึงพราะน้นแปลผิดการทาปัญญาให้ถึงพร้อมกุศลคือตัวปัญญาคือฉลาดทําฉลาดพูดฉลาดคิดวันที่เราทําดีแต่ไม่ฉลาดนี่ไอความสิ่งที่ดีที่เราทํามันกลับทําให้เราเป็นทุกข์ฉันก็ทําดีกับแกทุกอย่างได้ทําไมฉันทากับแกแกทําไมฉันกับฉันอย่างนี้่ คำพูดนี้รุดออกมาแสดงว่าเราทําดีถูกต้องไหมไม่ไม่ถูกถ้าเราทําดีได้ถูกต้องไอ้คาพูดนี้มันจะไม่มีเพราะฉะนั้นทําดีก็ทําถูกงทีมคนละเรื่องนะทําดีจะไม่ถูกบางครั้งเราทําถูกแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้เราจะตักเตือนลูกของเราที่ทําไม่ถูกเราทําถูกนะแต่ลูกเขาชอบเราไหมเขาไม่ชอบเนี่ยทาถูกทีมไม่ดีตรงที่ว่าเขาไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นภรรยาไปเล่นไพ่กินเหล้าสามีตักเตือนสามีทําถูกไหม ถูกแต่พนิยาชอบไหมไม่ชอบเนี่ยทำดีแต่ไม่ถูกทําถูกแต่บางทีไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าทําทั้งสองดาทั้งสองอย่างเลยก็หนึง่งทาดีด้วยสองทำถูกด้วยนหลักการสามไม่ทําในสิ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจหลักการที่หนึ่งคือไม่ทําบาปทํากายทําใจให้เป็นทุกข์จะโดวยวิธีไหนกระามถือว่าทําบาประหว่างทําทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยทุกกายทุกใจให้กับตัวเองเนี่ย ใครเป็นผู้ทําให้เราได้มากที่สุดนัน่นได้คำตอบเลยตัวเราเองสาภาพเสดีดีๆเลยเนะี่ยตัวเราเองเนี่ยนะ ท, ทําทุกทําบาปให้กับตัวเองมากที่สุดเพราะอะไรเพราะขาดข้อที่สองเพราะไม่มีกุศลคือไม่ฉลาดในการทําสิ่งที่คิดไว้ทําดีให้กับตัวเองกลายเป็นทําไม่ดีเนะี่ยการกินอาหาร่ารีดอร่อยแต่ว่ากินมากเกินไปเป็นไงกลายเป็นไม่ดีไม่ฉลาดในการกิน อาหารดีดีต้กินน้อยๆมันจะเป็นประโยชน์แต่อาหารดีส่วนใหญ่มันกินน้อยไม่ได้ใช่ไหมต้องเจริญอาหารก็เป็นกายเป็นชั่วไปคือทําให้เราต้องทุกข์อ่ะมีโรคภัยแค่เจ็บมีความอึดอัดมีความไม่สบายกายขึ้นมามันทุกข์ตอนนั้นะคําว่าบาปไหมคำว่าความเดือดร้อนที่ตามมาภายหลังความถ้าสิ่งไหนที่ทำไปแล้วไม่มีความเดือดร้อนตามมาภายหลังสิ่งนั้นไม่เป็นบาปสิ่งไหน ที่ทำไปแล้วความเดือดร้อนตามมาภายหลังเรียกว่าเป็นบาปอย่างเราอบรมสั่งสอนลูกดีลูกเนี่ยลูกดีขึ้นใช่ไหมไม่มีความเดือดร้อนตามมาภายหลังนั้นการที่ทําก็ไม่เป็นบาปเพราะว่าผลตามมาภายหลังมันดีแต่เราเอาใจลูกโอบลูกตามใจลูกทุกอย่างความเดือดร้อนตามมาภายหลังก็คือเดีมาลูกเขาไปทําผิดทําร้ายอะไรนี่สั่งสอนเขาไม่ได้เพราะเขาถูกตามใจเพราะฉะนั้นการดูแลลูก โอโลูกลักลูกในทางที่ผิดเป็นการทําบาปเพราะความเดือดร้อนจะตามมาภายหลังนั่นบางทีการทําดีทําถูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะจะต้องมีไงมีกุศลเพราะฉะนั้นทํากุศลให้ถึงพร้อมฉลาดทำคือทําให้ดีด้วยทําให้ถูกด้วยทําให้ฉลาดทำตั้งใจทําดีกลายเป็นผิดไปซะอันที่สามทั้งทําดีและทําไม่ดีทําฉลาดหรือไม่ฉลาดเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้อง ปล่อยวางทั้งความดีและความไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งความฉลาดความงู้ต้องปล่อยวางให้จิตของเราไม่มีทั้งสองขั้วให้มันเหลือขั้วเดียวคือทำจิตให้สะอาดจากบุญและบาปใช้คำพูยะปาปัสสะปะฮีนัสสะเป็นผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปถ้าบุญดีจะละทำไมใช่ไหมก็ว่าทั้งบุญทั้งบาปเป็นเหตุ ป, ปัจจัยของกันและกันพราะถ้าเราทาบี มันก็เป็นเหตุให้ไปสู่ที่ไม่ดีได้ถ้าเราไม่ฉลาดทำถ้าทำฉลาดทำทำดีก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ฉลาดทำทำดีก็นำไปสู่ที่ไม่ถูกต้องได้เหมือนกันนะอันนี้ที่หลักการเบื้องต้นทั้งสาประการต้องจำขึ้นใจทีเดียวจำขึ้นใจเป็นหลักการง่ายๆนะวิธีการหกก็คืออะไรหนึ่ง ขันติประมังตะโปติทิขาขันติคือความอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสและความชั่วได้นะขันติประมังตะโปติทิขาขันติคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสความอดกลั้นกับความอดทนกับความเก็บกดกับความกดดันเนี่ยต่างกันใช่ไหมต่างกันเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าไอ้ส่วนที่เป็นขันติเนี่ย มันจะต้องมีตีติขาด้วยมันถึงจะเป็นความอดกั้นที่ถูกต้องตีติขาหมายถึงไตรสิขาด้วยตีติขาอดกัน้นแต่ว่าอดกั้นตรงนั้นจะมีปัญญาตรงมันมีไตรสิขาตีสิขาคือมีสิขาสามในความอดกั้นนั้นประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาความอดกั้นหรือขันติของเราถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากเราอดกั้นด้วยขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาความอดกันก้นจะกลายเป็นความเก็บกดความกดดันแล้วกลายเป็นโทษที่หลังความอดกั้นแบบนั้นนะทาให้เราต้องเก็บกดวันหนึ่งมันเกิดแล้วเบิดออกมาปุง่งไปไงตายทั้งเขาทั้งเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําให้การอดกั้นอดทนของเราไม่มีประโยชน์เพราะเราขาดปัญญา ดังนั้นท่านเลยจำลองทำข้อนี้ออกมาเป็นแม่ธรณีบีบมวยผมแม่ธรณีหมายถึงความอดทนอดกั้นหมายถึงแผ่นดินที่รับได้ทุกอย่างไม่ว่าไฟไม่ว่าน้ำไม่ว่าลมไม่ว่าจะขุด จ, จะกลดจะเผาแผ่นดินไม่เคยบน่นท่านจึงเปรียบคนที่มีคันติเหมือนกับแม่ธรณีเป็นแม่พระเป็นพ่อพระคนที่มีความอดทนนะแต่ทั้งพ่อพระแม่พระเนี่ย ถ้าขาดตีติขาหรือขาดไตรสิขาหรือขาดปัญญาเนี่ยพ่อพระแม่พระก็กลายเป็นพ่อเลยพ่อผีและแม่ผีไปเลยเพราะอะไรเพราะออดกั้นก็จริงแต่ว่าทําเป็นกดดันเขาอะใช่ไหมท่านกดเอาไว้ท่าทีไปกดดันเขาโดยที่ไม่ต้องพูดต้องอจา่าไม่ต้องอะไรคือฉันไม่พูดโดยแกสามวันห้าวันพูดกันเป็นเดือนแล้วเนี่ยกันอดได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมันจะตายได้ อันนี้เขาเราะออดกันแบบไม่มีปัญญาสามีปัญญาขัดใจกันไม่พูดด้วยกันสามวันเจ็ดวันเป็นไงลูกเป็นไงสบายใจไหมพ่อแม่ไม่พูดกันใช่การอดกันอดทนของเรามีประโยชน์ไหมแบบนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็้องใช้ปัญญาอดกันอดทนอย่างมีปัญญาเพราะนั้นในความหมายของ พุทธศาสนาท่านให้ความจำกัดความไว้สีอย่างหนึ่งอดทนต่อทุกเวทนาเช่นเรามาปฏิบัติมีทุกเวทนาตั้งหลายอย่างต้องทนนั่งทนยืนทนดอนทนนั่งทนยืนทนเดินหนักๆซึ่งตาปบุตรเราไม่ได้ทำแบบนี้แต่เราก็มีความอดกัน้นอดทนนะอันที่สองความอดทนอดกั้นต่อความลำบากตรกรรการงาน เราทํางานในออฟฟิศทำงานในโรงงานทั้งวันอะไรเงี้ยปวดทั้งเมื่อยทั้งสาราพัดอึดอัดหนักหนุ่ทงทงทัพก็ต้องทําต้องอดต้องกัน้นอันที่สามอดทนอดกัน้นต่อความหิวกระหายเรามาที่นี่เราทานอิมมอ่มบ้างไม่อิ่มบ้างกลัวว่ามันจะ ง, ง่วงก็ทานน้อยน้อยแล้วก็หิวก็ต้องอดกันนะอดกันก็คือจะต้องหาวิธีชดเชยด้วยวิธีใดนะ อันที่สี่อดทนอกั้นต่อคําด่าว่าเสศีความดูถูกความดูหมิ่นความสุขประมาณความไม่ไพเราะเพราะหูก็ต้องใช้ความอดทนอดกั้นทั้ง4ประการเนี่ยความหมายของคําว่าขันติเนี่ยประการสุดท้ายนี่สําคัญเพราะมันเกี่ยวข้อง3อย่างอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อความลาบากในการงานอดทนต่อความหิวกระหายไปเรื่องของกายทั้ง3ด้านเลยใช่ไหม แต่อันที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของจิตโด ย, ยเฉพาะเลยต้องอดกั้นต่อคำด่าว่าเสษีสุ ป, ปมาตยากตัวนี้จึงเรียกว่าขันติประมังตะโปติธิขาถ้าเป็นลักษณะ น, นี้คือหลักการที่หนึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านคงจะนึกถึงตอนที่ท่านบำเพ็ญเพียรทุกรกิริยาใช่ไหมถ้าท่านไม่อดกัน้นอดทนขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ไม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะสแสวงหาทางออกที่ถูกต้อง ก็ทรมาตรนตนเองเกือบตายอ่ะนะอดทนขนาดไหนแต่ท่านก็ทำเพื่อที่จะหาทางออกนึกว่ามันทางออกที่มันไม่ถูกมันตีบตันแล้วมันก็ต้องหาทางออกที่ถูกพอเจอเขา้าวออมันง่ายๆเองเราไม่เข้าใจเพราะขาดปัญญาเพราะท่านเกิดปัญญาขึ้นมาปับ๊บอันที่สองก็เลยตามมาว่าขันติต้องตามด้วยแม่ธรณีต้องตามด้วยอะไร ถ้าแม่มือดีดีไม่มีมือผมเนี่ยจะเชื่อพุทธเจ้าได้ไหมได้ไหมหรือมีมือผมแต่บีบน้าไม่ออกอ่ะก็ไม่เวิร์กอ่ะใช่ไหมเหมือนกันในความอดทนอดกั้นของเราถ้าไม่เกิดปัญญาก็เหมือนไม่ธรณีไม่มีมือผมหรือมีมือผมแต่ว่าบีบน้าไม่ออกคือไม่เกิดความฉลาดไม่เกิดปัญญาขึ้นมาไปแก้ปัญหาไม่ถูกนะอดทนอดกั้นเฉยอื ดังนั้นอันนี้หลักการอันที่หนึ่งในหลักการหเราต้องใช้นะอันที่สองท่านว่านิพพานังปรามังวัทันติพุท ธ, ธาพุทธิเจ้าทั้งหลายหรือผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าการดับการเย็นเป็นธรรมขั้นสูงสุดนั้นึนกล่าวว่าระหว่างเกิดกับดับเนี่ยเราควรที่จะศึกษาตัวไหนตัวนี้ตอบโจทย์เลยขันติปรามังเอ้ย นิพพานังประมังว่าธันติพุทธาผู้ที่เจ้าทั้งหลายยงโย่องกันนิพพานคือการดับใช่ไหมอ่าการดับเหตุดับปัญหาดับทุกเนี่ยเป็นตัวที่ท้อง พ, พ่อปูนให้เยอะแต่การเกิดไม่ต้องไป พ, พ่อปูนเราเงี้ยก็เกิดได้ น, นูนท่านตัสว่าอย่างนี้นัสิยาโลกัตวัธนอย่าทําโลกนี้ให้มันเจริญอย่าให้มันเกิดกันเยอะมันจะปัญหาเยอะนีนัสิยาโลกวัธน แต่ท่านบอกว่านิพพานังประมังวัฏฐานติปทาบุตริยาทั้งหลายกล่าวว่าการดับการเย็นเป็นธรรมชั้นยอดเป็นธรรมสูงสุดเพราะนั้นเราก็มุ่งในการที่จะดับเวทนาต่างๆของเราเวทนาทางกายที่มันเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดหนักเกิดเหนื่อยเกิดร้อนเกิดหนาวเราก็พยายามผ่อนดับเวทนานั้นให้มันเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆ ทางจิตของเราที่มันร้อนด้วยราคาโทสา ม, มหาก็พยายามลดเงื่อนไข ข, ของมันให้เย็นลงเ mm hmm. ย็นลงเย็นลงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกการดับกันเย็นแบบนี้นะแต่ไม่ดับสิ่งที่มัน อ, อื่นนะดับเหตุของทุกเป็นนิพพานนะ <c oughs> ถ้าเราพยายามปฏิบัติเพื่อลดเงื่อนไข ข, ของความร้อนต่างๆที่มันเกิดนะ อันนั้นก็เป็นนิพพานในตัวส่วนจะลดได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ทำส่วนจะทำนั้นจะทำยังไงให้ชำนิชํานาญในการดับไฟนันเวลาเขาสร้างตึกสร้างบ้านเสร็จก็ต้องติดอะไรไว้ด้วยที่บ้านติดอะไรถังแดงๆอะ่ะอถังดับเพลิงติดไป้ดยทุกแห่งแหละเห็นไหมเมื่อสร้างบ้านเราก็ต้องมีตัวดับไฟที่เกิดกับบ้านนะ นั้นเวลาเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเราคนที่มีทังดับเพลิงติดมาด้วยในชีวิตของเราทังดับเพลิงชีวิตคืออะไรวันไหนปุ๊บป๊อบเกิดไฟช็อตไฟไหม้ขึ้นมานี้ไม่มีทังดับเพลิงหมอทั้งหลังเลยใช่ไหมหรือเจ้าของไม่ได้สติเวลาไฟเพราะไฟไหม้ขึ้นมาตกใจวิ่งหนีเลยทังดับเพลิงมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะเหมือนกันเราฝึกนิพพานเอาไว้แต่ว่าเราไม่มีสตินี่ก็นิพพานก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็คือส่วนที่เราจะต้อง ศึกษาว่าจะทำทำไงการเกิดมีแตลอดเวลาเราทําหน้าที่ที่จะดับความคิดมีตลอดเวลาแต่มีหน้าที่ที่จะจัดการดับความคิดการปรุงแต่งมีตลอดเวลาใช่ไหมเราไปห้ามไม่ได้แต่หน้าที่ที่เราปฏิบัตินี่เพื่อที่จะสร้างถังอะไรถังดับเพลิง <c oughs> หลังดับเพลิงคือสร้างตัวสติสติสมาธิปัญญาเนี่เป็นเสมือนแก๊ส ด, ดับเพลิงพร้อมที่จะกดฉีดได้ทันที อยู่ด้วยกันสามีภรรยาที่บ้านแฟนไม่เข้าใจกันเขาไปเข้าใจกันได้ยังไงขณะพ่อเดียวแม่เดียวกันยังผิดทะเลาะกันนะใช่ไหมนี่ปะต่างพ่อตดังแม่ดังเรื่องต่างเราไม่มีจริงที่จะไม่ทะเลาะกันเป็นไปไม่ได้เราที่จะเข้าใจกันถูกทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ขณะพ่อลูกตามพ่อแม่เดียวกันลูกพี่น้องคานตามกันมายังทะเลาะกันเลยแล้วเราไปแต่งงานกับลูกคนอื่นหลานคนอื่น จะให้ไปลงตัวกันอย่างทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้นั่นคือเหตุเราก็ต้องเตรียมถังดับเพลิงไวปไฟลุกทางไหนก็กดับทางนั้นอไฟลุกตัวเราก็ดับที่ตัวเราแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เลยอะ่ะถังดับเพลิงทั้งแร ก, กเรียกว่าสติทั้งที่สองเรียกว่าสมาธิถังที่สามเรียกว่าปัญญาอย่างน้อยก็กสามถังนํามารวมเป็นถังเดียวนะ <c oughs> ่นะอนั้นคือส่วน ที่เราจะต้องทําในวิธีการที่สองนิพพานังปรามังวะทันติพุท ธ, ธาแค่สองข้อนี้ก็หมดเวลาแล้ว <c oughs> ดังนั้นค่อยไว้ต่อวันต่อไปนะช่วงเช้ามีเวลาสั้นเราไปปฏิบัติสองชั่วโมงตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าบางคนก็ได้ชั่วโมงเดียวบางคนก็ได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมวันนี้ที่มาได้สองชั่วโมงดูแล้วมีอยู่ตอนแรกมีสี่ใช่ไหมตอนหลั ง, ลงเอหกแลเพิ่มขึ้นมาใครว่างมาหลัง ทีสีครึ่งมีไหมได้ครึ่งชั่วโมงก็มีมทีห้ก็มีมั้งนะดังนั้นก็พยานะพยามนะพยายามวันต่อไปให้เดียวขึ้นเดียวขึ้นจนถึงวันสุดท้ายน่าจะได้อยู่ทีสานี่นะดังนั้นก็เรามานี่เรามาเพียรพยายามเพื่อทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะเพราะเราจะต้องนําไปใช้อีกมากมายถ้าเราทําไม่ถูกทําไม่ดีเรามาก็เสียเวลานําไปใช้ก็ไม่ได้ แทนที่เราจะเวลานี้ไปทําเรื่องอื่นให้เกิดมักเกิดผลเกิดเงินเกิดทองเอามาเสียเวลานอนเล่นเล่นนั่งเล่นเล่นไม่ได้ต้องมาทําให้เป็นเรื่องเป็นลาวนะเขาบอกให้แต่ยกมือแล้วมันจะเกิดอะไรก็ยังยกดูนะเป็นยังไงไหนๆล้วก็เรียกว่าผีตกประชาแล้วเนาะไม่ฝังกระเผลเมื่อมาที่นี่แล้วเขาไม่ล้ำก็ต้องล้ำเขาไม่เล่นก็ต้องเล่นนก็ทําไปเพื่อให้มันเกิด อย่างน้อยที่สุดถ้าเรายังไม่มีเขามีคงอะไรอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการทำสร้างบารมนะีไว้สร้างวันนี้ได้เท่านี้ไปเที่ยวต่อไปแล้วอาจจะได้มากกว่านี้ไปเที่ยวต่อไปอาจจะได้มากกว่านี้อย่างน้อยก็มาสร้างบุญบารมีแต่ถ้าเราไม่ทําเลยนี่ยไม่ได้อะไรเลยโอ้เสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียเงินทองเสียสุขภาพแต่ถ้าเราได้ทาไปเอา้ามาแล้วไหนๆก็ทา ทำไปมันไม่เข้าใจง้ยก็มีครูบาอาจารย์ให้ถามทำไปทำไปมันสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็ได้คุยได้ถามกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ <c oughs> ทำความเข้าใจกันแค่นี้